เ, เรื่องที่พระพุทธศาสนาช่วยโลกอีกกามจริงก็งน่าลำคันเหมือนกันอยู่ๆก็ทำไมอวดอ้างว่าพระพุทธศาสนาช่วยโลกแต่เมื่อพระพุทธศาสนาช่วยจริงเราก็ต้องพูดความจริงสู่กันฟังในฐานะที่เป็นญาติเป็นที่เป็นน้องเป็นครือเดียวกัน <c oughs> ไม่ใช่ว่าผู้พูดจะมาแก้ตัวแทนพระพุทธศาสนาคําว่าพระพุทธศาสนาขอจงอย่าจะเอาใจิตใจไปเจาะจงลงเฉพาะที่พระเนรเสมอไปเพราะพุทธศาสนาหมายถึงคําสอนสำหรับท่านเนรบางท่านบางทีท่านอาจจะเรียจริยาของพระพุทธศาสนาบ้างก็มีเหมือนกัน เพราบางทีท่านได้แต่งกายเหมือนพระแต่ว่าไม่ได้ทําอะไรอย่างพระเลยก็มีเป็นนั้นว่าโลกนี้คนชั่วค็มีคนดีกว่ามากคนชั่วหายากคนดีถมไปท่านจะดีท่านจะเลวยังไงท่านก็ว่ากันท่านดีหมดอาสิทนี้ดูมันว่าวันก่อนพูดมาแล้วเจ้าลืมอธิบาย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 พระศาสนาจริงๆก็ได้แก่คาสอนขององค์สมเด็จโตสัมสมาสัมพุทธเจ้าในเมื่อท่านหลายเหล่านั้นบวชเข้ามาในเขตของพระพุทธศาสนาแล้วการบวชนี้ก็มีหลายแบบบางทีท่านก็บวตตามประเพณีบางทีก็บวตด้วยความเลื่อมใสด้วยความเลื่อมใสตามประเพณีนี่ไม่แน่นัก เมื่อตามประเพณนีก็สัจจะเทียงว่าบวชไม่ได้ตั้งใจจะประพุทธปฏิบัติความดีเพื่อให้คนอื่นก็ถือว่าบวชเท่านั้นอย่ามีคนผู้ทําลายพระศาสนาบางท่านก็บวชเข้ามาด้วยความเลื่อมใสแต่เมื่อบวชเข้ามาแล้วจิตใจก็คลายไปอย่างอื่นไปติดในลาบยศสเสริญสกเสีย มีการติดในลาภยศผงเสริญสุขก็เป็นการทำลายพระศาสนาเหมือนกันหรือว่าเป็นผู้ที่บวชเข้ามาแต่กายแต่กาวความระพฤติจิตใจไ ม, ม่ยอมรับนับถือพระพุทธศาสนาคือคำสอนของพระพุทธเจ้าได้ <c oughs> คำว่าติดในราภยศผลเสริญสุขอันนี้ขอบรรดาท่านทั้งหลายจงพิจารณาไว้ด้วยว่าพระที่บรร ที่มียศถาบรรดาศักดิ์ต่างๆอย่าไปคิดว่าท่านเลวเสมอไปบางทีเพระาะสายความดีของท่านที่มีอยู่พระราชาทรงถวายยศถวายตําแหน่งนี่เป็นเรื่องขาต้องพระราชาถวายเนะี่ยไม่ใช่วิ่งเต้นหายศักดิหาตำแหน่งถ้านลลายเหล่านั้นจะถือว่าท่านโมเมาในลาบไม่ยศก็ไม่ได้ บางทีจิตใจก็แทาไม่เมาเลยยังผู้พูดเคยตะเวนไปหาพระมันหลายจุดทั่วประเทศไทยไปเจอพระมากมายกันที่เขาตั้งให้ทำเป็นพระราชาคณะเป็นเยืกอคุณบ้างเป็นสมเด็จบ้างเป็นสมเด็จพระสังฆราชบ้า ง, เ ป, เ, า ง, าางเป็นพระสูบ้าง เวลาไปหาท่านจริงๆไม่ทราบว่าท้ายยศไปวางไว้ที่ไหน <c oughs> ไม่มีเรื่องยศฐานมันดาศักดิ์ไม่รู้ท่ไปวางไว้ที่ไหนเมื่อไปแล้วท่านก็ทาตนเป็นที่น่ารักเป็นที่น่าเคารพทําตนเป็นตนเองเสมอๆอย่างนี้กระเพืนี้ไม่ถือว่าเมาในลาบหรือไม่เมาในยศ แต่ท่านที่เมาจริงๆก็มีต้องแยกประเภทกันไว้ด้วยไม่ใช่ปลาค้องเดียวเน่าตัวเดียวแล้วก็เน่าด้วยกันทั้งหมดแต่ความจริงปลาค้องเดียวที่เน่ากลิ่นมันอาจจะไปกระทบปลาตัวอื่นที่เป็นปลาดีไม่เน่าก็ได้แต่ว่าเราก็ต้องเลือกคัดปลากันไปตัวไหนเน่าทิ้งตัวนั้นไปเอาไว้แต่ตัวดีก็นี่มีประมาณชั้นใดพระสงฆ์ที่บวชเข้ามาในพระพุทธศาสนาก็เหมือนกัน ผู้เคยสัมผัสมาหลายแบบไม่ที่เจอะแต่ดีชั่วก็เจอที่ชั่วประเพุทธที่คิดว่าพวกเราเป็นคราวาสอาจารย์ดีเป็นชั่วไม่เท่าทันก็มีที่หลอรย์กว่าคนชั่วก็มีคนดีก็มากคนชั่วหายากคนดีทั่มไปที่ท่านประพุทธชั่วแบบนั้นท่านก็เข้าใจว่าดีไม่กัน นี่คําว่าดีของคนแล้วก็คําว่าดีของคนที่เป็นพระก <c oughs> ็ต้องเลือกกันให้ดีให้ถูกจุดถ้าบุคคลใดดีเว้นจากกรรมที่เป็นโทษหรือว่าทำใจพ้นจากความเป็นผ่านนั่นเรียกเราเรียกกันว่าคนดีคือบัณฑิตท่านดีบ่เข้ามาในพระพุทธศาสนาก็เหมือนกัน ท่านที่เมาในลาบในยศสนเสริสุขท่านก็ว่าของท่านดีเมื่อท่านนั้หลายที่ไม่มีความเมาในลาบยศสนเสริญสุขท่านก็ว่าของท่านดีแต่เราก็ต้องเลือกเอาดีหลังดีเพื่อที่ไม่เมาในลาบยศสนเสริญสุขในลาบมาก็หาทางที่เะเจ้าลาบนั้นจับจ่ายใช้สอยไปในทางส่วสาธารณประโยชน์ ท่นก็ต้องใช้เป็นส่วนตัวบ้างแต่วันไม่ได้ความจําเป็นไม่เคตสวนาวิสัยจริงๆแล้วถาว่าท่านได้ยศมาเพราะพระราชาถวายเพราะใครที่กขเห็นว่ามีความดีเขอขอให้ท่านแต่ท่านไม่เมาเราก็ควรจะสนรเสริญท่านพวกนี้เมื่อเขาเอาหินมาให้ท่านแต่ท่านไม่รู้สึกหนักก็วางหินเสียไม่พอใจในเรื่องไม่เหลืองในหิน เมื่อให้มาก็รับรับลงโด้วยการบำบงศรัทธาอย่างนี้เป็นพระดีคนบูชา <c oughs> ใครกรัสเสริมเย็นยอท่านท่านก็ไม่เมาไมายไปตามคาส่งเสรินเย็นยอเว <c oughs> ลามีสุขจิโลกีวิสัยเกิดขึ้นท่านก็ไม่พอใจไปนั้นไปตามนั้นถ้าไม่ลืมว่าท่านเป็นพระท่านละท่านไม่ลืมความตายของท่านด้วย เป็นอนุวาพระที่บวชเข้ามาพระเนรที่บวชเข้ามาในเขตพระพุทธศาสนาขอท่านหลายได้ปวชเข้าใจว่านั่นไม่ใช่ตัวศาสนา <c oughs> ตัวศาสนาจริงๆคือคําสั่งและคําสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้าคําสังใใ่งได้แก่ระเบียบหรือที่เราเรียกว่าวินยัยหรือที่เราเรียกว่าศีลคําสอนคือบทธรรมะที่ปฏิบัติทำจิตใจให้สะอาด เพ่ที่เรียกว่าพระพุทธศาสนาช่วยโลกวันนี้ก็มาพูดถึงที่ว่าพระเจ้าทรงให้ละความเป็น่านว่าจงอย่าครบ่านอันวันนี้ก็เห็นจะเป็นพานข้อสุดท้ายแต่ความจริงพานไม่มีมากเละขอนำน ย, ยอดมาเป็นแค่ห้าพานเท่านั้น่านนอกเหนือจากนี้มีอีกจ้างเยอะถ้าเค้นพูดมันก็ไม่จบ เอามาให้ท่านาหลายใคร่คนกันพันสุดท้ายคือพันคนที่ฮักษณะที่ห้าหอลวว่าคนที่ห้าก็ไลยเก่การพันหมดสติการหมดสติเป็นพันคือสติสมบัติธัรมะไม่ดีมีพ่อไม่รู้จักพ่อมีแม่ไม่รู้จักแม่มีลูกไม่รู้จักลูกมีสามีภรรยาก็จาไม่ได้มีครูบาอาจารย์ก็จาไม่ได้ พานตัวนี้ได้กับพันเมามดสตินี้ี่้ได้ก็เมาแต่ลักษณะของการเมามันก็มีหลายเมาเหมือนกันเมาสุราเมีไรก็เชื่อว่าเมาแต่เมากําลังใจเมาความรู้เมาฐานะเมาตําแหน่งเมายศฐานมันดาศักเมาความร่ํารวยเมาอำนาจวาสนานี่ก็เมาเป็นเอาว่าสองเมาเนี่ยไม่ดีทั้งหมด <c oughs> ไม่ดีตรงไหนไม่ดีตรที่มันเมาถ้าคนเราถ้าเมาเสแล้วมันจําอะไรไม่ได้สติสัมปัญญะไม่ก็เฟืองไปสติแปลว่าตัวนึกได้สัมปัญญะแปลว่ญญาความรู้ตัวถ้าเรามีอเราอยู่เสมอว่าคนนี้เป็นพ่อพ่อเคยมีคุณกัราในตอนไหน คนนี้เป็นแม่แม่เคยมีคุณกับเราในตอนไหนอตอนนี้ถ้าจะฟังแมงแมงเคยฟังข่าวได้ยินมาเองอยากออกจะออกชื่อตัวบุคคลเลยเพราะว่าเมื่อิดามันดาไปตักเตือนเขาเข้าเขาก็าบอกว่าคุณพ่อคุณแม่ก็ไม่น่าจะมายุ่งอะไรกับหนูนี่มันน่าจะขาดกันถ้าโันเกิดแล้ว ที่หมูเกิดขึ้นมานี่หนูมีความเข้าใจว่าคุณพ่อคุณแม่ไม่ได้ต่างใจให้เกิดคุณพ่อคุณแม่ร่วมรักกันความปรารถนาในความสุขส่วนนั้นต่างหากแต่ที่หนูเกิดมาเนี่ยหนูเกิดมาเองอน่าฟังไหมนี่เมาอะไรก็มเมาเพื่อน คนระเบิดนี้เขาเรียกว่าเมาเพื่อนี่ขาดสติอมากท่างสติสัมปชัญญะนี่ไม่ได้เรื่องเในราเลยนี่ลืมไปมีลักษณะของผ่านเ ม, มาก็ที่บอกว่าพัานไม่ไ ม, ม่ได้เรื่องในไม่ได้ราวนี่แกหมดสติอมากกับเพราะว่าถ้าพ่อแม่ของแกไม่มีความรักในแก่ความจริงการร่วมรักอาจจะเป็นความสูขส่วนหนึ่งที่ไม่มีความปรารถนาให้ลูกเกิด อันนี้ก็มีอยู่แต่บางรายส่วนใหญ่ด้วยกันตั้งใจปรารถนาบุทีิดาตอนเรื่องจิตใจเรารู้ไม่ได้ยกไปอาจต่เพีงว่าถ้าบิดามันดาของหนูคนนั้นไม่มีความรักเธอจริงๆริงนันันเธอเกิดขึ้นมาแล้วเพราะว่าท่านไม่รักจริงๆท่านทำแท้งสมอะไรก็ได้ เรื่องมื่อกีนั้นมาออกมาใหม่ๆท่านก็ทอดทิ้งไม่เลี้ยงดูก็ไม่มีเสียงที่มานั่งพูดดงนั้นโดยเี่พ่ อ, อยังยิ่งในขณะที่รับฟังก็ปรากฏว่าเธอผู้นั้นกําลังเรียนอยู่ในระดับสูงนี่เป็นอันว่าพ่อแม่ที่เลี้ยงเธอมานะี่ยใช้จ่ายมานับเงินเป็นจำนวนแสนโดยที่ธรับการศึกษาระดับสูงใกล้จะจบอยู่แล้วใช้เงินมากถ้าไม่ให้ด้วยความรักความเมตตาปรานี้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 แต่คืนเมาแล้วก็มันเป็นโทษมันเป็นทุกข์มีความช้ำใจมันก็เกิดขึ้นกับบิดามาันดาเมื่อตัวเธอเองก็มีแต่ความทุกข์าบิดามาันดาบอกว่าพ่อคุณพ่อคุณแม่ก็น่าอยากคุ้นกันมาตั้งแต่วันเกิดแล้วขาดจันทร์แต่ว่าตอนนั้นท่านคิดว่าเป็นบุตรของท่านแต่ว่าถ้าหากว่าตอนหลังนี้ท่านคิดว่าบุตรคนนี้มีความอากติโยไม่รู้คนท่าน คิดอย่างชาวบ้านคิดว่าเลือดก้อนเดียวเทิ้งมันไปก็แล้วกันอยากนั้นเธอจะหาเงินหาทองที่ไหนมาใช้หลายคนอคติอยูอไม่รู้คุณคนแบบนี้จะประโยชน์กับใครคนดีไม่มีใครเขารับไว้เขาก็โยนทิ้งไปไหมกก้อนเคละก้อนหนึ่งที่ไร้ประโยชน์ไม่ว่าเขามีความเข้าใจเสมอกันหมดว่าทุกคน แต่ว่าคบคนประเภทนี้จะเพศนี้ไว้มันก็มีแต่โทษมันไม่มีความดีนี่ระบรรดาท่านทั้งหลายท่านผูรับฟังเรื่องความเมานี้ด้วยตัวหมดสติตอง ส, สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากล่าวว่ามันเป็นผ่านจงอยา่าคบคนใดที่มีความเมาอย่างนี้จงอยา่าคบคนนั้นคนประเภทนี้ต้องมาบิดามารดาพ่อแม่ของเขาให้ชีวิตเข้ามา ให้ชาความรู้ให้ทรัพย์สินเวลาที่โรคจะเรียนและโูคเกิดมาพ่อแม่ตอนน้องมีความเหนื่อยยากลำบากเป็นกรณีพิเศษเขายังอกตัญยูไม่รู้คนได้ถ้าเราเป็นคนอื่นเน่าจากบิดามันดาของเขาเราไม่เคยเกื้อกูลเข้ามาในการก่อนถ้าเราไปเกื้อกูลเขาเขาจะมีความรู้สึกยังไงพ่อแม่ให้ชีวิตเขา ให้ทรัพย์สินแก่เขาให้ความสุขแก่เขาให้วิชาความรู้แก่เขาเขายังตีตีตัวออกหันท่านไดเราเป็นคนปลายทางไปเพื่อกุค่คนประเภทนี้เราก็ถูกดียิ่งกว่ากันนั้นดีไม่ดีเธอจะสังหารเอามาไรก็ได้คนประเภทนี้องค์สมเด็จพระจอมตายกล่าวว่าเป็นคนผ่า น, นเย็นดีออาไปเสีย แล้วเมาอีกเพื่อนหนึ่งแต่ความจริงความเมานี่มันมีมากเขาพูดยาะเยาะเมาอีกเพื่อนหนึ่งก็คือเมาน้ําเมาน้ํานี่ก็ได้กับเมาสุรามีไรและสิ่งที่ไม่ใช่น้ําทําให้เมาอย่างเช่นองขาวเป็นต้นหรือแม่ทองดําเป็นต้นอะไรก็ได้เมื่อเมื่อเรายังไม่ดื่มเรายังเมา ตามที่กล่าวมาแล้วเด็กคนนั้นเมาในความรู้ที่เธอได้ด้วยอาศัยทุนเขาบิดามารดาเธอยังไม่ได้ดื่มเมาแล้วถ้าเพิ่มความเมาจากวัตถุเข้าไปอีกคือสุราเมรัยมันก็เมากันใหญ่ดีไม่ดีบิดามันดาของเราจะฆ่าเสีมเมรายก็ได้และการเมาอย่างนี้ทําลายเศรษฐกิจของชาติบอกไม่ถูกการดื่มสุราเมรัย ไม่ไรแปลว่ามันเฉยสราสิ่งที่หมักดองหรือไ ม, ม่ได้กลั่นเรียกมีไรคราอนี้กลั่นออกมาแล้วเรียกวสุราเป็นประเภทสร้างความเมาจะเป็นยาฟินเฮลูอินอะไรก็ได้ทั้งนั้น <c oughs> มเมื่อความเมาประเภทนี้เกิดขึ้นเศรษฐกิจถูกทำลายไปโดยเฉพาะอย่างยิ่งการดื่มสุราดืมมีไรวันหนึ่งถ้าเรากินใช้จ่ายค่าส่วนนี้ไปวันละหนึ่งบาท ปีหนึ่งเราเสียเงินสามรอยหกสิบห้าบาทถ้าวันละสิบบาทปีหนึ่งสาพันหกร้อยห้าสิบบาทถ้ามันวันละยิ่งกว่านั้นมันก็เสียมากกว่านั้นถ้าเดมเรากินมาแล้วเป็นกี่ปีก็ลองคิดดูว่าการอย่างนี้ที่มันปรากฏทรัพย์สินน่งหลายมันหมดไปเท่าไหร่ ถ้าเราเอารวบรวมทรัพย์สินทั้งหลายเหล่านั้นไม่ใช้ในประโยชน์ส่วนอื่นมันจะดีกว่าไหมความสุขมันก็เกิดไ <c oughs> ม่ว่าจะนึกเสียสทรัพย์สินเฉยๆหอดมันยังเสียศักดิ์ศีอีกก็มีความอัตจักรยุจจะไม่ได้ดีพ่อไปยังไงแม่ไปยังไงดีไม่ดีเตะพ่อด่าแม่ตีพัว ด, ด่ดาเมียแล้วก็ว่ากันยุ่งไปหมดสร้างความเดือดร้อนให้แก่ภายในบ้านของตัวเอง แม้ก็ดีไม่ดีรถราวิ่งมาก็เข้าใจว่ารถมันเล็กนอนขวางให้รถชนตายเสียก็อย่างได้เสียชีวิตไปแล้กัน่าจกนั้นสร้างความเดือดร้อนให้แก่ปรงชนชาวไทยและชาวชาติ้าชาวเทศได้กับประเทศชาติเพราะความเมาเป็นเหตุจำหน้าจะไม่ได้เห็นคนไม่กันว่าไม่ใช่คน หาเรื่องห้าราก่อเรื่องก่อความวุ่นวายขึ้นทำลายทรัพย์สินของชาบ้านให้ us, หมดไปที่นาดไปแล้วก็สร้างความยุ่งยากที่เราต้องจ้างคนเข้ามาเป็นเจ้าเป็นนายและจ้างตำรวจมาจับจ้างอายการฟ้องจ้างที่ภาคสาตุลาการงบประมาณมาสิ้นปีก็อาศัยเพิ่นเพิ่นเพิ่นเพิ่นไปงบประมาณขึ้นไปปีหนึ่งปีหนึ่งก็อาศัยความเมาไปสําคัญประมาณเท่าไหร่ โดยเองเดินไปเดินมาคุกตารางที่ก็ตั้งไว้แอบแอถนนเขาไม่ได้ตั้งมาขวางถนนก็เดินเข้าไปชนประตูคุกประตูประตูตารางในที่สุดก็เข้าไปสงบอารมณ์ในนั้นไม่เพื่อสายความเมาเขาพูดแต่เพีงยงยอๆว่าลักษณะการเมาอย่างนี้เนี่ยมันสร้างความดีให้แก่ประเทศชาติหรือว่าทําลายความสุขความดีของประเทศชาติ เชื่อกันนั่งเราเมาวันละสิบบาทปีหนึ่งสามพันห้าร้อยห้าสิบทั้งพันหกรอห้าสิบห้าสิบปีสิบปีมันก็สามหมื่นหกพันห้าร้อยบาทแล้วเวลานี้ใครเมาสิบบาทมีไหมไม่มีเมากะททีเป็นร้อยเป็นพันแล้วเงินนี่สูเสียไปนั้นมันได้ประโยชน์อะไรสำหรับเราบ้าง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 นมกให้เข้าใจว่าไอ้ความสุขก็ดีความทุกข์ก็ดีที่เกิดขึ้นอย่างนี้ยาน่าของความเมาเนี่ยมันสุขก็มันทุกข์มันดีก็มันไม่ดีถ้าเราเป็นคนจริงๆเป็นมนุษย์จริงๆ จ, จะมีความรู้สึกว่าจะความเมาเนี่สร้างโทษให้เกิดมากกว่าสร้างประโยชน์ <c oughs> บางท่านบอกว่าถ้าใ่เมาขาดสังคมสังคมจะขาดไป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 ดังนั้นองค์สมเพระระมมตโลกระเชศจรจึงกล่าวว่าลักษณะของความเมาด้วยการดื่มน้ำเมาโซราดมีไรเป็นปัจจัยที่เรียกว่าพาน <c oughs> ที่ทำสันดานเราให้มีความทุกข์แล้ตัวเมาตัวนี้ทำลายเศรษฐกิจของชาติบอกไม่ถูกถ้าจะพูดกันไปจริงๆมันก็จะซ้ำกับของเก่า รวความว่าที่เราต้องเสียก็เสียก่อนกันทุกวันทุกวันนี่ก็เพราะความเมาเป็นสำคัญเพืเมาทั้งน้าเมาแล้วก็เมาความเป็นอยู่เมาชีวิตเมาสักศรีเมาเกียรติยศมีเมาความรู้ขาดสติสัมปชัญญะดูว่าอะไรมันเป็นอะไรคนที่ต้องฆ่ากันตายก็เพราะอาศัยเมาสองเมาคนที่มันแตกความสามัคคีก็เพราะอาศัยสองเมาเนี่ะเมาเหล้ากับเมาใจ เป็นอาวุธโลกที่เราจะมีความเดือดร้อนในปัจจุบันนี้เหมือนกับไฟเขาบอาศัยความเมาเมาเล่าโดยเมาใจเมาความทะเยอทะยานบางรายต้องการจรระยึดประเทศนั่นจะยึดประเทศนี้คิดจำไปที่มาทําลายล้างไปทําลายล้างมายังไม่ทันจะยึดได้คนต้นคิดก็ตายแล้วคนคิดรอ ง, รองลองลงไปก็ตายแล้วไม่ยึดได้แล้วตัวก็ตายมันก็ไม่ได้เกิดประโยชน์อะไร <c oughs> เป็นอันว่าการเมาประเภทนี้เป็นการทําลายความสุขของชาติแล้วก็เป็นการทําลายความสุข ข, ของโลกถ้าทุกคนเราไม่เมา้าจะไปยังไงที่พระพุทธเจ้าเรียกว่าบัณฑิตเราก็มีจิ ต, ป, ตประกอบไปด้วยสติสัพพัญญาสตินึกสัพพัญญระญญรู้ตัวนึกเข้มาไว้ว่าเรามีหน้าที่ไปยังไง เราอยู่ในฐานะไหนกิจการงานเสียงใดที่เราควรจะทําเราก็ตั้งใจทําสัมปชัญญะรู้ตัวว่าเราทํานี่ทําแล้วได้ย่างได้ยังไม่ได้ทําทําว่าทําถูกหรือทําผิดถ้าทําก็ต้องตั้งใจทําให้มันถูกก่อนที่จะทำตั้งกล่าวว่าใครควรเสก่อนแเราจึงทำํำเราก็อาจิตนึกถึงมาว่าตัวสติคิดว่าเอ้ยนี่เราจะทํางาน เราจิตใจพิจนารณางานมันว่าเราทำอย่างไรมันจึงจะเร็วมันถึงจะดีมันจะมีประโยชน์มากการงานไม่ข้างข้างไม่เป็นปัจจัยให้เกิดความเสื่อมเสียกับการงานและตัวเองมีถ้าเราไม่เมาเรามีเวลาคิดแบบนี้ถ้าเราเมาไม่มีเวลาคิดเศรษฐกิจของชาติที่ต้องบรรลัยไปเพราะความเมานับไม่ถวน ก, ก็เพาเมานี่แหละจึงเริม่ต้องมีตำรวจต้องมีทหารต้องมีคุกมีตารางมีพิพาษามีอายการเมื่อไรต่ อ, อไรต่ากีฬาถะเสียเงินงบประมาณเพราะความเมาปี ป, ปีหนึ่งหลายเหมือนล้านถ้าหากว่าทุกท่านรับคำแนะนำขององค์สมเด็จพระพิตีรรมานที่ทรงช่วยโลกขอชาวโลกจงอย่าเมาไม่เมาทั้งเหล้าไม่เมาทั้งเวลาไม่เมาทั้งชีวิต คิดไหมเสมอว่าเราควรจะทำหมชนและปวงชนที่อยู่ร่วมกันให้มีความสุขจงเต็มความสามารถที่เราจะพึงทำได้กำใดถ้าเกินฤทธิสัยที่เราจะพึงทำได้ก็ขอร้องให้บุคคลอื่นเข้ามาช่วยเหลือแล้ต่างคนต่างช่วยกันเราช่วยเขาเขาช่วยเราตามความจำเป็น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 สำหรับวันนี้มองดูไปเวลามันก็หมดเสร็จแล้วขอลา ก, ก่อนวันหน้าพบกันใหม่ถ้ามีโอกาสขอความสุขสวัสดิพัฒนามงคลสมบูรณ์ูลผ ล, ลจงมีแด่บรรดาท่านพุทธศาสนิกชนผู้รับฟังทุกท่านสวัสดี